เมื่มมมเอเมื่อตะกี้นี่อะฮะที่หลวงตาให้มีสติรู้ตัวอยู่กับคําคบรก ร, รมพุทโธก็รู้สึกว่าก็ก็มีมีคอรู้สึกตัวอยู่กับธรรมกำ ร, รทุกตัวได้ออยู่อยู่พอประมาณมีบางช่วงที่หลุดไปบ้างนะฮะแต่พอหลุดไปแป๊บเดียวแล้วก็ ก็มีสิทธิ์รู้ตัวรู้เท่าทันแล้วก็คืนกลับมาครับแล้วก็ทําเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างทําเนี่ยก็มีปวดเมื่อยตามตัวอปวดขาฮคนี้พอปวดขาเนี่ยอ่ผมก็นึกถึงคําที่ว่าหาผู้รู้อ่ะฮะพอพ อ, พอมีอาการปวดปั๊บก็มาถามว่าใครรู้่ะก็คือตัวเองรู้แล้ว ก, แวก็แล้วก็พยายามดูว่า เออตัวเมีอ่ามีภาคอะไรในใจบ้างหรือเปล่าก็ไม่เห็นครับก็ก็ไม่ไม่เห็นก็ก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็กลับกลับไปไอู้้รู้เตัวตัวภาคมันอยู่ที่ผู้รู้ครับมันจะว่าไปเราเอาเอาผู้รู้ไปหาตัวภาคไอ้ที่เราพูดเราภาคในใจคือไอ้ผู้รู้นั่นแหละไอ้ผู้รู้เนี่ยจะว่าเอ๊ะ ไปดูว่าเราเราพากอะไรพูดอะไรนะเช่อเอ้ยเราไม่เห็นเราพากเราพูดอะไรเลยไอ้ตัวที่เข้าไปดูที่บอกนี่เราไม่เห็นเราภากเรพูดอะไรไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นตัวภาพอครับก็คือระหว่างที่ทําก็ก็ก็สามารถดูแบบนี้ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมใ้่ๆเวลาเกิดอาการอะไรขึ้นมาทางกายตรงใจต้องไว้นะว่าไอ้ตัวภาพตัวพูดมันอยู่ตรงผู้ดูเนี่ยแต่เราตัวเอาว่าตัวเราไปผู้ดูไปพยายามขวานหาไอ้ตัวไอตัวเราที่มันภากมันพูดอยู่ในใจแต่ไอ้ตัวเราที่พากที่พูดมันอยู่ตรงที่ตัวเราที่ไปดูไปหาเลย ออืเดินไปหาเอ๊ไม่เห็นเราไม่รับภาคอะไรเลยเอ๊ไม่เห็นพูดอะไรเลยแต่ไอตัวที่ไปหาที่พยายามไปดูหาว่าเอ๊เราไม่เหรับภาคอะไรเราพูดอะไรเลยไอตัวที่ไปดูเนี่ยตัวนั้นเราภาพังพูดอยู่เราไม่เห็นค่ะค่ะก็เอ่อาจะรย์ถามหลวงตาว่า การพิจารณาอสภาคำลัฐานนะคะ롱ตาคื อ, อ, อของหนูเนี่ยจะแต่ละเที่ยวของการพิจารณานะคะมันจะไม่เหมือนกันคือบางทีเราก็จะคิดว่าเออถ้าเราตายด้วยลักษณะแบบนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงของศพ ม, มันจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะไปลงที่ ที่เป็นกระดูกแล้วก็กลายเป็นเท่าฐานเหมือนกันไหมแต่ว่าเอลักษณะการเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันเช่นบางทีอาจจะแบบเออ่าถ้าจมน้ำํำจมน้ําจะเป็นยังไงจมน้ำลักษณะจะเป็นยังไงแล้วก็เ อ, อุบัติเหตุขึ้นมาอะไรเงี้ยแขนขากระเด็นกระดอนมีคนละที่อะไรเงี้ยครัเป็นยังไงก็เลยไม่แน่แต่ว่าพิจารณาแบบเนี้ได้หรือเปล่าคะหลวงตาคือถ้ามันพิจารณาแล้วมันหายพุ่งสั้น ก็สามารถพินาได้ต่อเนื่องยาวนานก็ใช้ได้จิตเดี๋ยวเหตุเดี๋ย ว, เ, ย ว, เ, ยวเหตุที่เราทําในพิจาณาได้ต่อเนื่องยาวนานโดยที่ไม่พุ่งสร้างเดี๋ยวมันผลมันเกิดขึ้นเองเป็นความพุ่งไปวางก็ถูกถ้าพิจารณาแล้วจิตมันหดตัวเข้ามาจากความพุ่งสร้างก็ถูกแล้วพิจาณตัวเรานะให้ตัวเราตายเ น, นะนี่ยน่าเปิดความจะตายแล้วผลาญยังไงก็ได้แต่พิจารณาแล้วสังเกตดูจิตมันหดมาจากการพุ่งสร้างก็แสดงว่าถูกแล้วแล้วถ้าจิตมันหดจากควางสาร้างเราก็อันนี้เนี่ย แต่ละเหตุมันถูกแล้ ว, ลวเราขับติดเจดจ่อเหตุนั้นในต่อเนื่องในขาดสายผลมันจะเป็นความโ ป, ปงไปวางโปงไปวางเป็นผลค่ะเอ่อแล้วอย่างเวลาคือความเข้าใจของหลนงเนี่ยก็คือว่าเอ่อถ้าต้องการทําวิปัสสนาเนี่ยก็คือพิจารณาอสมกรรมฐานแต่ถ้าเราต้องการให้ได้สมถะเนี่ยก็คือมันก็คือต้องํานั่งทําสมาธิเหมือนที่ที่หลวงตาพานั่งเมื่อกี้รู้เปล่าคะเพราะว่า ถ้าเราต้องการสมรถะแล้วเราพิจารณาสุภาเนี่ยมันก็จะไม่ได้สมถะเนอะไม่ไม่ใช่อ่อสมถะวิปัสสนามาต่างกันสมถะคือมันเอาตัวเราเนี่ยไ ป, ไ ป, ไ, ปไปรู้อารมณ์สมถะเนี่ยมันคือเอาตัวเราเนี่ยไปรู้อารมณ์ไปจับอารมณ์จะมิดสังเกตไหมตั้งแต่เริ่มบริกรรมพุทโธหรือว่าจะเอาเครื่องล่ออะไรก็ตามเนี่ยพยายามมาตัวเราเนี่ยไปจับอารมณ์นั้นให้อยู่ ออะไรก็ตามที่ใช้เป็นเครื่องรอจิตเรียกว่าอารมณ์หมดในก ร, กรรมฐานสี่สบกองถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยพยายามจะจับสิ่งนั้นให้ให แ, นแน่วแน่ไม่ได้เป็นไปเพื่ออานิจังทุกขอังอนะตาปร่งปล่อยวางะนะอันเนี้เราปฏิบัติเหมือนกับว่าในเอาไอ้กรรมฐานสี่สิบอย่างเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าเราเหมือนดูตัวทัศน์แล้วตัวเราเนี่ยเป็นผู้ดูตัวทัศน์ถ้าเราทําอย่างเงี้ยเป็นสมถะตลอดสายไม่เป็นนิพพานา เช่นแม้แต่ว่าเราจะพิจารณาความตายหน้าปยู้ฟังตัวเราตายหน้าปยูฟังแต่เราสร้างเราอีกตัวหนึ่งไปตายไว้ข้างหน้าเราแล้วก็มีตัวเราเนี่ยไปดูตัวเราตายอยู่ข้างหน้าอย่างนี้จะเป็นสมถะเพราะว่าเราทำในลักษณะแบบว่าเอาสิ่งที่เราดูเนี่ยเป็นกระสินเราทาใ น, นลกักษณะเขาเรียกว่ากระสินคือเอาไปไว้ข้างหน้าเรานู่นเหมือนดูตัวทัศแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ดู ตัวเราไป็ผู้ดูแล้วก็พยายามให้ใจของเราเนี่ยไปเขาคอเกลียวอยู่กับสิ่งที่เราดูอย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายอันนี้มันจะเป็นสมถะไปอแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยคือมาปล่อยวางตัวเราผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นปล่อยวางตัวเราผู้ดูตัวทัศน์ดูอาการเป็นผู้ดูผู้รู้อารมณ์ปล่อยวางตัวเราผู้รู้อารมณ์แต่ถ้าเป็นสมถะเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปรู้อารมณ์เข้าใจไหมเนี่ย ยังงงๆอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่ามันยังเหมือนมันยังแย้งไม่ออกว่าอย่างดูอสุภะเนี่ยมันก็ต้องเหมือนมันก็คือต้องมโนนึกขึ้นมาเกาะใช่ไหยคะเอมโนนึกมาแล้วเสร็จแล้วก็มาเห็นไใ้ตัวเราเนี่ยตัวเราที่เนี่ยตัวเราลูกร่างกายตัวเราเนี่ยให้เห็นว่าตัวเราเนี่ยมันตัวเรานี่แน่มันเน่าเปื่อยผุพังมันตายมีสภาพเป็นยังไงเราถ้าเราจมน้ำตายอย่างี่บอกจมน้ําตายตูกไปไหม้ตายจะเป็นยังไง คือตัวเรานี่นะเออแต่ไม่ใช่ว่าเอาเอาตัวเราไปมองภาพไปมองภาพข้างหน้าเราแล้วตัวเราไว้ข้างหลังคือน้อพินาตัวเราเนี่ยให้มันตายเน่าเปิดผูกพังก็จะนะ อ, อ, อ, อ๋ออ๋ อ, อ, อยังไงอ๋อยังไงนะพดเลยนะท่านคือต้องไม่เป็นลักษณะว่า นึกขึ้นมาแล้วเราเป็นคนดูและเห็นภาพเปลี่ยนไปเออถูกต้องอันนั้นอนะ่ะผิดอันนี้นอ่ะเปนผิดอันนั้นทำน<า>ั้นผิดอันนั้นคือมันจะกลายเป็นสมถะใช่ไหมคเอออย่<ะ>างีเป็นกสีหรือีอ๋อค่ะใช่แล้วมีครั้งหนึ่งที่หนูเนี่ยสมัยปอทำอย่างนี้ย่งเงเลยเออเหตุเป็นน่งยิ้มเดี๋ยวผมใส่ชัมีครั้งหนึ่งที่หนูเนี่ยแบบเหมือนกับว่ามองมือตัวเองแล้วก็นึกนึกขึ้นมาได้ว่าเออเหมือนเห็นมือตัวเองแบบมันก็ค่อย บวมขึ้นบวมขึ้นแล้วก็ค่อยๆเน่าลงไปอ่ะค่ะไม่แน่ใจว่าแบบคือที่หลวงตาบอกหรือเปล่าค่ะเออใช่งั้นแหละค่ะแต่ถ้ามันมันมันรู้สึกในนี ota, มน้มันมันมันรู้ถึงใจในความรู้สึกอยู่ๆมันเห็นตัวเร า, ต, เราตัวเราตายจริงๆตไปตายจนไม่ไม่ไม่ีความไม่ไมีความรู้สึ ก, กว่ามีผู้ดูอีกทีคือไม่มีความรู้สึกกับมีตัวเราดูไปดูตัวเราตายคือมีความรู้สึกเหมือนตัวเราตายจริงๆ ือเราตายตัวเราตายแล้วสลายไปขยายไปเห็นแต่ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกว่ามีผู้ดูอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งคือมีแต่สิ่งที่ถูกดูรู้เห็นเพียงอย่างเดียวกําลังตายหน้าเปื่อยผุพังสลายคือตัวเราตายหน้าเปื่อยผุพังสลายอแต่ไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่ามีตัวเราอะมายืนดูตัวเราตายอะไอย่างงี้แหละลักษณะแบบว่าไอ้นอนแล้วก็นอนหลับไปอ่ะแล้วก็ ลักษากที่ว่ามีตัวเราออกจากล่างแล้วมายืนดูตัวเรานอนหลับแเราเห็นใ้ตัวนอนหลับเนี่ยมันตายหน้าเปื่อยผูพังไอ้ อ, อย่างเงี้ยมันไม่โป่งได้หละเพราะว่ามันมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวนั่นอ่ะมันนอนตายยังไงอ่ะแต่ไอ้ตัวออกจากล่างมันไม่ตายสิไอ้อตัวนี้มันไม่ดับเลยโยมทูต ก, ก็เอาไปอะะ่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่มาดูเรายืนดูเรานอนตายเนี่ยไอ้ตัวนั้นไม่ดับแต่มันมีเยอะไอ้พวกที่ออกที่ตายจากล่างก็เป็นอย่างเงี้ยความจริงก็เป็นอย่างนี้เวลาเวลาตายอ่ะ ตายแล้วก็ออกจากล่างมาดูล่างตัวเองนอนตายอะไรอย่างนี้ทั้งหมดที่ยื้อไอ้พูดยึดอะไอ้ไอ้ไอ้ตัวผู้ออกมาออกจากล่างมายืนดูตัวเองนอนตายเนี่ยอันนั้นไม่ดับแต่ถ้าเห็นตัวเราตายตัวเราไม่มีพิรณาไปจนสิ้นความเป็นตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอันนี้เป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟธาตุสลายไปมาจากความไม่มีกับพื้นสู่ความไม่มีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันเนี้ยจึงจะรุนิพานไปปล่อยวาง เวลาตายแล้วไม่มีไม่มีตัวเราประเด็นออกมาเหมือนกายโปร่งแสงออกไปอยู่นอกร่างเรามันก็จะหายแวบไปเหมือนพระโคติกาที่เชี่ยดคอตายแล้วก็บรรลุอารหันต์ขณะเชื่ยดคอตายพอยมมาโทษจะเอาจิตวิญญาณของพระโคติกาไปลงโทษหาไม่เจอเลยเอ๊หายไปไหนอ่ะกายโปร่งแสงที่มีรูปร่างเหมือนพระโคติกะหายไปไหนแล้วเพราะโคติกามรรลุอรหรนะันต์แล้วสิ้นความลงจิตมั่นถือมั่นในตัวเราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา ก็หายแว บ, บไปเหมือนไฟสิ้นเชือ้อหรือเหมือนกับเปลวไฟที่อยู่ต่อหน้าแล้วเป่าดับพบบบึบหายไปเนี่ยโยมาทูตไปถามพุตรเจ้าบุตรเจ้าบอกตาหายไปแล้วเหมือนเปลวไฟสิ้นเชือ้อเข้าใจไหมปร<ฮ>ะเด็นที่ว่าบอกกอบทํำยังไงบอกกอบทํำยังไงอ่ะทําแบบกสะสีเพ่งข้างหน้าหรือว่าน้องพี่นาว่าตัวเราตายหน้าเปลือหูฟังก่อนหน้าเนี้ยก็ทําคงเป็นกระสีนะคะลงตาเพราะว่า คือนึกขึ้นมาแล้วเราก็เห็นเห็นว่าตัวเราอะมีตัวเราอยู่ข้างหน้าแล้วก็เน่าเปื่อยผูพังไปแต่ว่าเอ่อมันจะมีอยู่ประมาณครั้งสองครั้งค่ะที่ที่แบบเหมือนมองมือตัวเองหรือว่าเออเหมือนมองในกระจกอ่ะค่ะแล้วก็เห็นหน้าแบบแล้วก็เหมือนก็เป็นเจตนานการว่าหน้าเราเปลี่ยนเราก็เน่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาคือมันคงเป็นทั้ง มีทั้งกระสีด้วยแต่ส่วนใหญ่นะจะเป็นรักษณะเป็นกระสีมากก้ากระสีนเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตรงค่ะแล้วก็มองใจแค่สงบเฉยถ้าเป็นกระสิ น, น ะ, ะมันจะเพ่งตัวเราเน่าอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะเราไปสร้างมโนภาพว่าตัวเราเน่ามองเหมือนมอ ง, มองตัวเราในกระจกไลยนะแต่ตัวเราจริงจริงมายืนมองอยู่หน้ากระจกเราทําอย่างนั้นนะแค่ใจรู้สึกว่ามันมันมันสงบเฉยมันได้ปร่งใว้วาง แต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราตายแล้วจะมีสภาพแบบนี้นแม้แต่เราดูในกระจกแต่เอ า, เอาภาพเน่าในกระจกมารวมเป็นตัวเราว่าตัวเราที่สุดเน่าอย่างเนี้ยอันนี้เรียกว่าไม่ใช่แบบเป็นกระกสินเพ่งนอกอย่างเดียวคือน้อมเอาตัวเราที่เน่ามาเป็นตัวเราจริงๆอันนี้นก็กลายเป็นโป่งปล่อยวางมันดูเหมือนมันดูเหมือนแบบว่ามันแค่พลิกนิดเดียวอ่ะของตา ม, มันก็จะกลายสักคือถ้าเป็นในสมถะเนี่ย มันจับอารมณ์ส่งออกนอกอย่างเดียวแต่สะเป็นที่ปรันาเนี่ยคือมันย้อนกลับมาหาผู้รู้ย้อนย้อนกลับมาหาตัวเราผู้รู้แล้วปล่อยวางตัวเราคือปล่อยวางตัวเราเห็นตัวเราตายเน่าเปื่อยบุปผังสลายไปจนสิ้นความคิดฝานถึงบ้นในตัวเราค่ะมันนิดเดียวระหว่างดูโทรทัศน์เอาตัวเราไปดูไปดูภาพในโทรทัศน์ดูภาพตัวเราเน่าในโทรทัศน์เหมือนดูกระสีนเนี่ยกับ ย้อนกลับมาดูตัวเราผู้ดูโทรทัศน์ไม่เหมือนกันนะเราดูภาพตัวเราเน่าดูเหมือนดูโทรทัศน์กับเราเนี่ยย้อนมาดูตัวเราผู้ดูโทรทัศน์แห้มันเน่าปื่อยบุปผังน้อมไปความจริงน้อมไ่ตัวเราอะเช่นว่าตัวเราเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่สมมติเราตอนนี้เราสามสี่สิบสี่สิบเราบวกอีกทีละสิบก็ได้ อ๋อห้าสิบตัวเราจริงๆจะมีสภาพยังไงน้อมไม่ออกว่าตัวเราจริงๆเนี่ยน้อมเนี่ตัวเราแก่จริงๆริงห้าสิบหกสิบน้อมไอตัวเราหกสิบมีสภาพแก่หกสิบเจดสิบตัวเรามีสภาพแก่เจ็ดสิบเริ่มหนังเหี่ยวย่นผมหงอกขาวโพลนไปนหมดเริ่มเ ด, เดินหลังงอ ง, งม่แปดสิบตัวเรามีสภาพเริ่มหลังงองุ้มลงไปอีกเดินผอมเออผอมเป็นไม้ซี่เดินถือไม้เท้ายักแย่ยยกยนันเปไปเปมาเก้าสิบ นอนตายในโรงเผาและร้อยปีแต่ร้อยปีตัวเราร้อยปีตัวเรามีแต่กีต่ากกะดูลงที่ตัวเราหมดเลยเข้าใจไหมค่ะคาดว่าน่าจะเข้าใจสาาค่ะแล้วก็จะคือถ้าถ้าสังเกตได้ถ้าถ้ามันน้อมมาลงที่ตัวเรานะมันจะโปรงปล่อยวางคือ้าจิตเนี่ย มันน้อมเห็นตัวเราตายหน้าเ ป, าปลือยผุฟังสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลงไปอย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคือน้อมเนี่ยให้เห็นตัวเราตายหน้าเปลือยผุฟังอย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่าต่อ เ, เนื่องไม่ขาดสายเนี่ยถ้าเพลิดไปเช่นเนี้ยผลไม่ได้ทำให้ปงไปวางเลยอืร่ <c oughs> ปงปล่อวางมากขึ้นโปงปมล่อยวางมากขึ้นจนกระทั่งปงไปวางหมดร้อยเอร์เ็ตก็ระเบิดโลกกาะแจากภายในสึงภายนอกเลยทั้งโลกกาะแทปเหมือนกับเป็นสึนามิเลยระเบิดทั้งโลกกระแทก แล้วเอ่ออาการของการที่เราจะรู้ว่าเราตรงไปวางหรือเปล่าเนี่ยก็คือก็คืออาการที่หลวงตาบอกว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเราเบาขึ้นก <stadium. S 1> er, ายเา rin, <isko? S 1> บาขึ้นอตัวเรากายเบาขึ้นเบาขึ้นใจเบาขึ้นแต่เราก็ไม่สนใจเลยคือเหมือนกับกายมันเบามากไม่มีน้ำหนักเลยเราก็ไม่สนใจตัวนั้นเลยเพราะว่าอันนั้นเป็นผ ล, ลเราจับเราัำที่นาแต่เหตุด้วยไปค่ะ <Ha. S 2> แต่ถ้าเราเอาไว้ตัวเราตายเป็นเน่าตัวเราเนี่ยไปไว้ข้างหน้าเราแล้ว เ, เราเพ่งตัวเราเนี่ย เห็นตัวเราเน่าเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะที่เออ่โปร่งใววางแล้วกายเบาใจเบาจนกระทั่งไม่มีตัวเลยเหมือนกับร่างกายมันหายไปตัวตนหายไปคือมันโปร่อใวางแล้วกายเบาจนมั น, มนไม่มีน้ําหนักเลยแต่มันใจมันโปร่งใววางด้วย <c oughs> จนทําให้กายเนี่ยมันสิ้นความยึดมั่นถือมั่นจนใจเบากายเบามากเลยกายเบาใจเบาเพราสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่มีปิตินะ แต่ถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราไปเพ่งไว้ข้างหน้าเอาไปตั้งไว้เหมือนมองกระสีนเนี่ยเพ่งไว้ข้างหน้าเหมือนมองเอาตัวเราเน่าไปไว้ไปอยู่ในทรทัตแล้วเอาตัวเรามานั่งดูทรทัศนยเงี้ยถ้าเราเป็นแบบเนี้ยลักษณะที่ทําเป็นแบบสมถะมันจะเกิดปิติจิตมันจะสงบแล้วก็เกิดปิติขนสู้ซสาซาบซ่านกายเบาใจเบาแล้วมีอาการขนลุกสู้ซาซาบซ่านไปด้วยอันเนี้ยไปทําทแบบสมถะทาําแบบสมถะไม่ได้ทํำวิปัสนา เพราะว่าสมถาาะพอจิตมันเนี่ยสติมันไม่ต่อความรู้สึกตัวต่อเนื่องไม่ขาดสายแทนที่จะมันจะโปรงปล่อยวางเป็นวิปัสนามันจะปรงปล่อยวางแต่มันไปเกิดปิติซะแทนถ้ามันเกิดปิติผลลุกขนชันสูบซ่านกายเบาใจเบ า, เบาสู้ซ่าสู้ซ่ามันน้ําตาเอ่อคอไปด้วยอันนี้แสดงว่าไม่ใช่ทําวิปัสนาแล้วเป็นสุขไปเป็นปิติสุขอุเบกขาไปเดินองค์ชานไปเป็นฌานที่เป็นชานของฤๅษีน mm ่แล้มแต่ก็ชานฤๅษีก็มาพับมา มาพัฒนาต่อยอดเป็นวิปัสนาปลงไปวางได้จริง<ะ>คือมาปลงไปวางร่างกายตัวเองให้ให้ายพี่นายหน้าปล่อยผู้ฟังและปลงไปล่อยวางแต่ถ้ามาพิจารณาอีกแล้วก็เกิดพิธีอีกอย่างเงี้ยออย่างเนี้ยทําแบบส ม, มะถะเรื่อยไปไม่ได้ไม่ได้เป็นวิปัสนาคพอเป็นวิปัสน<ะ> า, าจะปลงไปวางแล้วก็วางไปวางไปเพราะความปล่อยวางผลของความปล่อยวางมันจะทําให้กายเบาใจเบาอื<ะ>เพราะว่ามันไม่ยึดอะไรให้หนักไงเลยไม่หนักกาย ห, หนักใจ ไม่เหมือนกันนะสเกตดูค่ะแล้วการที่เรานั่งสมาธิาอะค่ะหลวงตาแล้วพอจิตสงบแล้วอ่ะค่ะแล้วเราสามารถเราสามารถเอาอัตถะกรรมฐานมาทิจนาตอนที่จิตสงบได้ไหมคะหลวงตาก็คือมีสองขั้นตอนคืออย่างเี่หลวงตามหาบอกว่ า, วาเ อ, อพอจิตเราสงบแล้วอย่าไปรบกวนเหมือนกับปลอดพักให้เต็มที่ พักให้เต็มที่พักอยู่ในความสงบให้เต็มที่เหมือนกับนอนหลับอ่ะอย่ากวนคนนอนหลับนอนอนหลับเต็มที่นอนเต็มอิ่มแล้วตื่นมาแล้วมันจะมีกําลังทํางานที่เข้มแข็งเพราะจิตมันได้พักผ่อนเต็มที่อย่าไปกวนมันแล้วก็ให้มันได้พักผ่อนเต็มที่ละเอียดเข้าไปถึงพิติสุกุเบขาไปถึงระดับละเอียดเข้าไปอีกพิติสุกุเบขาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิง่งขึ้นไปอีกแม้แต่เป็นพิติสุกุเบกขาเหมือนกันแต่ในปิติสุกุเบขาก็ละเอียดเข้าจนอห ละเอียดเข้าไปมากมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ละเอียดจนมีความปิติก็ปิตินุ่มนวลละเอียดจิตเลยเป็นปุ๋ยผงเป็นธุลีแล้วก็สุขก็สุขอย่างละเอียดอุเบกขาก็เงียบสงบลึกสว่างสวยัยกวงไปหมดเลยวงโบงไม่หมดว่างสว่างสวัสวยไปหมดตั้งโลกธาตุจนเลยไปถึงั้อารมประชานจะเป็นอากาศธาตุไปเลยขึ้นด้วย อ, วยอากาศสารานจา ย, ยานะแล้วก็ไปวิญญาณานาจายานะอากิญญาญาอันกินอากิญญาญานะ จะเป็นความว่างไปหมดทั้งโลกธาตุเลยเป็นจนไปเนวะสัญญานาะสัญญายาตะนะเนี่ยมันก็จะเลยต่อไปเลยอันนั้นนะ่ะก็ไม่สนใจเอาปงไปวางอย่างเนียพอเสร็จแล้วก็ออกมามันก็แต่ไม่ว่าจะจะไปถึงขั้นสงบขนาดไหนนะมันก็จะถอนออกมาเพราะถอนออกมาเสร็จแล้วก็มันน้อมพินาพอเริ่มต้นนะน้อมน้อมน้อมพินาร่างกายเราตายหน้าเปอยผุพัง ตอนที่มันเริ่มต้นออกมาใหม่ๆพอมันเริ่มต้นออกมาใหม่เนี่ยตอนน้อมพิจารณาให้ต่อเนื่องไมขาดสายเลยตอนนี้ยน้อมต่อเนื่องไมขาดสายเลยอตัวนี้พอมันน้อมต่อเนื่องไมขาดสายเนี่ยสติสต ค, ความเป็นญาติคือความรู้สึกตัวเนี่ยจะต้องไม่ให้มันย้อนไม่ให้มันที่นาแป๊บเดียวแล้วย้อนกลับไปสู่ความสงบอีกจะต้องไม่ทําอย่างนี้นะอท่านห้ามเด็ดขาดเลยคือเมื่อย้อนอนอกพิจารณาแล้วเวลาทํางานแล้วก็ไม่ใช่ทําไปแล้วไปพักขอไปนอนก่อน คนอืนก็ทํางานได้ปลายเลยออกมาทำงานนิดเดียวเพิ่งตื่นออกมาทํางานได้เดียเดี๋ยวกลับเพราะกลับไปนอนก่อนอย่างเงี้ยเสียหายเยอะยับเลยเพราะว่างานการไม่ได้เลยเพราะถึงเวลาทํางานต้องทํางานไม่อยู่ได้พักเลยแต่ถึงเวลาพักก็คือพักเต็มที่จะออกก็ทํางานก็ทํางานทั้งวันไม่ใช่ว่าทำๆ ห, หน่อยๆเด้อเดี๋ยวขอไปนอนก่อนพอกลับไปนอนคือกลับไปพักจินเหมือนคนนอนหลับที่แล้วทําแปบ๊บเดียวมันยี่ิบสี่ชั่วโมงอะเพรานอนเพรานอนหลับเต็มอิ่มแล้วเนี่ยในชาร์เนี่ยมันแค่ ชั่วโมงเดียวก็เหมือนหลับไปตั้งสองสาวันแล้วก็ตอนนี้ก็ทางานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนกี่วันอะไปได้เลยไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันเอาอีกแล้วทําแยกๆขอไปพักนอนอีกแล้วนอนในชานอีกแล้วนอนในรูปสมาธิแล้วอันนี้เหลวไหลเนะี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ว่ามากเลยต้องมีสติสมาจัญญาไว้ล้งมันไว้ไม่ให้ไม่ให้จิตมันรวมกลับเข้าไปให้มันทํางานต่อเนื่องไม่ขาดสายโอ้ยพักทีเนี่ยในชาน เข้าฌานสีเนี่ยโอ้ยพิจนาตเป็นต่อเนื่องไปตั้งหลายวันไม่หลับไม่นอนอยัง ไ, ไไนอนอยงได้เลยไม่หลับไม่นอนยังได้เลยต่อเนื่องไปเลยไม่ใช่ปะเดี๋ยวสุขภาพร่างกายจะไม่ดีขอกลับไปพักอีกแล้วพี่นาตหน่อยขอกลับไปพักอันนี้มันแช่เส้เด็จเลยแล้วแบบนี้ไม่ไปยังไงเลยแล้วงานการไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยก็เหมือนคนเราจ้างลูกจ้างเราคิดดูสิเราจ้างลูกจ้างมาเนี่ยมันนอนเสร็จแล้วมันตื่นมาบอกว่าพอทางานแย่ๆบอกกลับขอไปนอนนี่ทางานแย่ๆกลับขอไปนอนเจ้านายไล่ออกหมดอย่างเงี้ย เอ้ยมันพักแล้วต้องทำงานเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนกี่วันกี่คืนก็ทําไปเอ้อหลายวันหลายคื น, ค น, ค น, ค น, คนไม่หลับไม่นอนพอพักเสร็จก็พักเต็มที่พักสักชั่วโมงหนึ่งในชานก็ได้สองสามชั่วโมงใครยากจะนั่งหลายชั่วโมงก็นั่งให้เต็มที่ไปแต่ออกแล้วทํางา น, นหลายวันหลายคืนต่อเนื่องไม่ขาสายพอเสร็จเดี๋ยวกลับไปนั่งเดี๋ยวกลับไปนั่งอย่างเดียวโอ้ยไม่ได้เลื่อนได้ลาอะไรเงี้ยงานการไม่ได้จะเหมือนลูกจ้างจ้างมาทํางานไปนอนหลับตื่นมาทํางานเสร็จขอกลับไปนอนเอง ทำงานเสร็จ ก, ก็กลับไปนอนในจ้างไล่ไปอไอยเงี้ยไล่ออกไ ป, ไไออกไปงานการไม่ได้เข้าใจไหมบอกเพิ่มชอบทำแบบเนี้ย <c oughs> งานการเลยไม่ได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือหนูอันนี้ถามเั็นความรู้ใช่คหลวงแต่ ว, ว่าวิธีการทำสมาธิแบบเดินจักขลาะคะ่ะจักขลาเนี่ยเป็น เออเป็นวิธีหนึ่งของการทํากรรมฐานเนีคะหลวงตาอย่างไรนะอา克拉อะไรนะจักจักขะค่ะจากกว่ากค่ะจักปะจักเหมือนจักขระที่เขาแบบกําหนดดอกบัวตามฐานของร่างกายเจ็ดสุดอะไรมาเนี่ยบบบมอาไม่เอเคลื่อนเคลื่อนสมาธิมันเคลื่อนออืจะทําอย่างนั้นสมาธิมันเคลื่อนอย่าอยยค่ะสมาธิมันเคลื่อนให้ใจมันอยู่กับกรรมฐานหนึ่งเดียว อะไรก็ตามที่หนึ่งเดียวมันอยู่ตรง น, นั้นนไงอยู่กับกรรมฐานถ้าเราพุทธพุทโก็อยู่กับพุทธหนึ่งเดียวพออยู่กับมรณะที่ก็อยู่กับมรณะทุติยหนึ่งเดียวให้มันอย่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแบบนี้อันนี้มันเคลื่อนสมาธิมันจะเคลื่อนกาบเรียนลวงตาครับเอขณะที่ทําสมาธิแล้วเราเกิดเวทนาทางกายขึ้นมาเช่นปวดเมื่อยขาอะไรต่างๆเนี่ยอให้เรา ขยับตัวหรือว่าเราเราปล่อยมันคือไหมว่าขยับขยับร่างกายเพื่อปรับเปลี่ยนท่าให้เพื่อหวังว่ามันจะคลายความความความปวดเราก็อดทนมันจะถึงสักพักมันเกี่ยวก็ตั้งมันไม่ไหวจ ร, จริงก็ขยับได้แต่ขยับแล้วอย่าให้ความรู้ภายในเคลื่อนขยับแต่กายอย่าให้ความรู้ภายในเคลื่อนอย้ายสมาธิเคลื่อน ความรู้เนี่ยภายในอยาบหยาบพอขยับปุ๊บเราเห็นหลายคนอะพอขยับออกมาหรือลืมตาออกมาความรู้ทิ้งหมดเลยคือเหมือนคนไม่รู้อะไรเหมือนคนไม่ได้ฝึกจิตเลยออกมาแล้วก็มองต้นไม้มองนู้นมองนี้ไปเลยอะคือเหมือนคนไม่ได้ฝึกจิตเลยนี่เสียหายนะคือขยับแก้ขยับขาลืมตาออกมาแล้วความรู้ภายในต้องไม่ทิ้งเลยต้องไม่ทิ้งความรู้เลยไม่ทิ้งรู้เลยนะต้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรับบรรลุอรหันต์แล้วก็อยู่กับรู้ไม่ทิ้งรู้เลย แต่พวกเราเนี่ยขนาดจะไม่รู้อาหารทิ้งรู้เลยเลยขนาดพ่อแม่นครูบาอาจารย์ไปรู้อาหารแล้วทุกองถามทา่านอยู่ก็รู้อยู่ก็รู้หมดไม่ทิ้งรู้เลยหลวงปู่ว่านโดยทีไ่ไปหาหลวงปวู่ว่านมดอะไปคุณนายท่นเด่นอะไปหาผูไปหาหลวงปู่ว่านหลวงปู่ว่านบอกว่าจะทิ้งรู้เลยนะบอกมดว่าจะทิ้งรู้จะเพราะฉะนั้นแหะพวกเราเนี่ยเราสักเกตเห็นเพราะก็หยับขาหน่อยขยับตัวหน่อยหรือว่าลืมตาไปหน่อย เหมือนคนไม่ได้ฝึกจิตเลยมองต้นไม้มองโน้นมองนี่ไปเลยหรือออกมาคิดโน้นคิดนี่ไปเลยพุ่งสร้างต่อไปเลยไม่ใช่นะทิ้งรู้หมดเลยจะขยับตัวยังไงจะลุกไปเดินเข้าของน้ําไม่ทิ้งรู้เลยไม่ทิ้งรู้เลยอยู่กับรู้ไม่ทิ้งรู้เลยไม่ไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ทิ้งรู้เลยแต่พวกเราทิ้งรู้หมดเลยแล้วไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยมองต้นไม้มองนน่นมองนี่เดินเลื่อยเฉื่อยไปเลยมองทางเดินไปเรื่อยเฉื่อยไปเลยทิ้งรู้หมดเลยไม่ไม่อยู่กับรู้ไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้หมด อันนี้ไม่ใช่นักปฏิบัตินะอันนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติขยับได้แต่ก็ต้องอดทนมากมันจะไหวเดี๋ยวยุกยิบเดี๋ยวยุกยิบเดี๋ยวยุกยิกอย่งนไม่ได้เรื่องเลยไม่เป็นสมาธิหรอกก็ต้องอดทนมันเรื่องกว่ามันไม่หวจริงๆกัขยับได้แต่อย่าทิ้งความรู้ภายในให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่บางท่านท่านก็เป็นยอดคนในเรื่องการอดทนก็อันนี้ก็ต้องสุดยอดท่านละยกให้ท่าน แล้วก็นั่งพิจารณาจนกระดับขาเหมือนกับขามันขาดปึ้งไปแล้วก็นั่นได้เลยอดทนเลยหลวงตามหาบัวบอกว่าท่านนั่งที่วัดป่านาบิมิตรเนี่ยที่เราไปอยู่เราไปบวชที่นั่นเราไปอยู่ที่กับหลวงปู่วาที่นั่นนไ่งจนก้นแตกอะจากมันพองพองเสร็จแล้วมันแตกจนแสบปวดร้อนไม่หมดแล้วท่านได้นัได้สมาธิที่นั่นที่วัดป่านาบิมิตรเนะ่ะอยู่นั่งจนเกินก้นแต ก, อแตกโอ้คิดดูนัน่กี่วนัน ก้นมันจะพองพองเสร็จแล้วก็แตกมัต้องใช้เวลานานกี่วันอันนี้ต้องไม่ต้องพูดถึงว่แค่ปวดขานะนี่มันน่ท่านนาัง่งจนก้นแตกเอ่าคือแตกก็ถึงว่ามันพองร้อนแสบปวดร้อนหมดแล้วก็จะต้องไอไอที่มันแสบปวดร้อนน้ํามันแต่งแต่งน้ําเนี่ยมันแตกอาแสบปวดร้อนหมดเลยถ้ากันทนนั่งเลยเนี่ยจนได้สมาธิก็อันนี้ก็จะเป็นยอดคนก็เป็นบุตริกพิเศษของท่าน